วิธีการดอกกถินและกรรมวาจาดอกกถินภิกษุทั้งหลายพึงดอกกถินอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ทสงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า926ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงท้องก็แล้วก็พึงดอกกรถินนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงย่อมดอกกถินท่านรูปใดเห็นด้วยกับการดอกกถินท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงดอกกถินแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้927ต่อมาอุบาสกนั้นเข้าไปหาภิกษุณีสงขอดอกกถินภิกษุณีทุลนันทากล่าวว่าพวกดิฉันจะมีชีวร คัดคานการดอกกถินครั้งนั้นอุบาสกนั้นตําหนิประนามโขนธนาว่าชไ น, นพิชชณีทั้งหลายจึงไม่ให้การดอกกถินแก่เราเล่าพิชชณีทั้งหลายได้ยินอุบาสกตําหนิประนามโขนธนาบรรดาภิชชณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโขนธนาว่าชไ น, นแม่เจ้าทุลนันทาจึงคัดคานการดอกกถินที่ชอบทําเล่า